เดี๋ยวนี้คุณมาไปติดตำหนาเลยไม่ได้เอาของจริงไปพูดกันสติประธาน4เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาขวานเรื่องสติประธาน อ, นนอนานาริยสัจสี่าอริยสัจสี่ขวานทุกสมุทัยนิโรดมากกว่าทุกกำหนดรู้สมุทัยต้องละ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 บัดนี้ไม่ต้องผัวผีไม่ต้องกาบผีแล้วมีแต่จะบังคับผีเั้งนั้นไม่ให้ผีเข้ามาใกล้เลยกาบเทวดาไหว้เทวดาให้เทวดามาอยู่ที่เราแต่ไม่รู้ว่าเทวดาอยู่ที่เราแล้วก็ยัยงไม่เห็นแล้วมันจะได้ทใหมเหมือนกับไก่อัไรเนเข็ดราคาดีไม่ดูเทียดทิ้งไปคนจึงชอบลืมตัวมือหวังแต่อยากไปพัฒนาที่นั้นที่นี้ไม่เคยพัฒนาตัวเอง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 ไม่มีคาว่าพ้าพุเจ้าสอนไม่ได้ใส่ไม่พันไม่มีแอ่คนไปเข้าใจว่าคนใดเข้าวัดฟังธรรมนะถือศิลจินเจขึ้ขะอะไรครจะว่าหลวงพ่อไม่รู้เขาบอกขึ้ขะไม่เข้าใจขึ้นี่หมายถึงอะไรไม่ทราบไม่ร sure? ูสมัยหรือขึ้ขางข้ไอ๋อเก่าแก่เก่แปรานเขาไม่รู้ว่าไม่ใช่อันสมัยใหม่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 จิตใจก็เลยไม่ได้มาพัฒนามันก็เลยตกต่าไปเหมือนกับขยะหรืออะไรเนี่ยมันโปกโปกนักเข้าหนักเข้าก็ามไม่มีคนใดมาเฟื้นฟูเรื่องจิตใจดังมากที่จุดก็เป็นั่งสงบก็นั้นเอ ง, น, ง, งนั่นเป็นดังนั้นพวกเรามาที่อยากให้ฝึกกันเดินไปไหนมาไหนดูบึงใจิตใจมันคิดหลวงพ่อว่าดูแลทั้งนิจจะว่าอย่างไรว่าดูเหมือนกัน